สมผัสสยองยิ่ญยามสยองในห้องขังหูครอบงำนักโทษให้ถึงแก่ความตายจากตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีปีศาจได้มีการบันทึกและเล่าสืบต่อกันมากับเรื่องราวสยดสยองน่าสะพรึงกลัว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาเพียงไม่นานเพียงไม่กี่เดือนได้มีนักโทษจำนวนกว่าสิบรายได้ทำการผูกคอตายจากกรงของหน้าต่างห้องเบอร์สองและจากคำบอกเล่าของนักโทษที่ตำรวจได้ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเวลาต่างทำให้ตำรวจทั้งหลายนั้นงง และตกใจเป็นอย่างมากเพราะนักโทษที่ถูกช่วยเหลือให้รอดชีวิตทั้งสมคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งได้เดินเข้ามาในห้องขังของพวกเขาแล้วได้สั่งให้พวกเขานั้นผูกคอตายซึ่งการให้การที่แปลกประหลาดของนักโทษเหล่านั้นทำให้ตำรวจต้องพึ่งพาอาศัยนักจิตวิทยา และนักไสยศาสตร์ให้เข้ามาช่วยเหลือหลังจากนั้นในเวลาไม่นานนักจึงได้ค้นพบว่าหญิงแก่ที่นักโทษเหล่านั้นกล่าวถึงเป็นใครซึ่งเธอคือผู้หญิงจรจัดคนหนึ่งที่ถูกจับในข้อหาเมาและอารวาดแต่หลังจากคืนที่เธอถูกจับขังในเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจได้พบศพของเธอนั้น ผูกคอห้อยลงมาจากกรงที่อยู่ตรงหน้าต่างโดยเธอนั้นใช้เสื้อผ้าของเธอผูกมัดให้เป็นเชือกยาวแล้วผูกเป็นบ่วงเพื่อผูกคอตายการแขวนคอตายนั้นทุกศพจะมีสภาพไม่สวยจนไม่สามารถที่จะทนดูได้ซึ่งลิ้นนั้นจะจุกอยู่ที่ปากตาเลือกถลนแทบจะหลุดออกจากเบา้าทุรอนทุรายก่อนที่จะตาย เป็นการตายที่ทรมานและน่าสยดสยองเป็นอย่างมากเมื่อทำการเก็บศพของหญิงแก่คนนั้นแล้วตำรวจก็ได้ทำการดันก้อนอิฐที่หลุดออกจากกำแพงกลับเข้าที่ดันเข้าไปให้แนบสนิท ด, ดังเดิมซึ่งก้อนอิฐที่หลุดออกจากผนังมานั้นทำให้หญิงจรจัดสามารถเหยียบขึ้นไปเพื่อแขวนคอได้ตั้งแต่นั้นมาก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้น เมื่อนักโทษคนต่อมาที่ได้ถูกขังไว้ในห้องขังเดียวกันกับหญิงจอนจัดคนนั้น <c oughs> ก็ได้ผูกคอตายแบบเดียวกันกับเธอและหลังจากนั้นหลายเดือนต่อมานักโทษหลายคนก็ได้ผูกคอตายเช่นเดียวกันในห้องขังนี้แต่มีนักโทษบางคนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจนรอดชีวิตซึ่งเขาก็ได้ให้คาตอบที่น่าสะเงกลัวกับตารวจ นักโทษที่ช่วยได้คนหนึ่งนั้น <S 2> <S 2> <S เป็นหญิงสาวที่ถูกจำคุกในข้อหาค้าประเวณีเธอได้เล่าให้กับตำรวจฟังว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่ง <S <S ได้ปรากฏตัวในเวลากลางคืนและมาบอกให้เธอนั้นผูกคอตายที่กลงหน้าต่างแต่เมื่อเธอนั้นไม่ยินยอมหญิงแก่คนนั้นก็พุ่งตรงเข้ามาหาเธอจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้อีก จนมารู้ตัวอีกทีเมื่อตำรวจนั้นได้มาช่วยเหลือเธอแล้วซึ่งคำให้การนี้ทำให้ตำรวจถึงกับอึง้งและขนลุกไปตามๆกันแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องเล่าของหญิงสาวคนนี้มากนักจากนั้นหลายเดือนต่อมาในคืนหนึ่งตำรวจสองคนที่เป็นยามกะดึกก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นนักโทษเล่ร่อนคนหนึ่ง ซึ่งถูกขังไว้ในห้องเบอร์สองนี้เกิดกลุ้มคลั่งลุกถอดเสื้อเชิดแล้วมัดทำเป็นเชือกเพื่อที่จะผูกคอตัวเองเมื่อตำรวจช่วยเหลือให้เขาลอดมาได้ก็เล่าให้ตำรวจฟังว่าเขาได้เจอกับหญิงแก่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวมากปรากฏตัวอยู่ในห้องขังที่เขาอยู่และได้สั่งบังคับให้เขาผูกคอตายซึ่งหญิงแก่ที่เขาเล่ามานั้น มีลักษณะเช่นเดียวกันกับหญิงจรจัดที่ได้ผู้อ่ตายเป็นคนแรกเมื่อตำรวจได้ยินดังนั้นก็เริ่มจะเชื่อคำบอกเล่าของนักโทษมากขึ้นและคิดว่าห้องขังเบอร์สองนี้น่าจะมีอาถรรพ์และวิญญาณสิงอยู่จริงๆเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้ตำรวจนักโทษให้ความสนใจและหวาดผวาไปตามๆกัน ซึ่งการตายอย่างลึกลับในห้องขังดังกล่าวทําให้ทางตำรวจพยายามปิดข่าวเรื่องนี้เอาไว้ไม่ให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้างแต่หลังจากนั้นเมื่อมีนักโทษได้ตายในห้องขังเบอร์สองนี้อีกก็ไม่สามารถที่จะปิดข่าวเงียบได้อีกต่อไปจนในที่สุดทางตำรวจก็ได้ตัดสินใจปิดตายห้องขังเบอร์สองเอาไว้และไม่ใช้มันอีกเลย ผีวิญญาณล้วนมีทุกแห่งหนทั่วไปบนโลกมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนแผ่นดินใดถึงแม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตามการวนเวียนอยู่นัดที่เสียชีวิตของเหล่าวิญญาณนั้นก็ยังคงอยู่คู่ขนานกับมิติของโลกมนุษย์บางครั้งการพยายามติดต่อสื่อสารของเหล่าวิญญาณนั้นมักจะสร้างปรากฏการณ์อันน่ากลัว หน้าขนลุกสยดสยองด้วยวิธีการต่างๆนานาเพื่อต้องการจะสื่อถึงอะไรบางอย่างที่ทำให้วิญญาณของบุคคลที่เสียชีวิตนั้นยังไม่ไปสู่สุคติ สัดัสยอง